และแล้วนางวิสาขาก็กล่าวว่าสุสิมาลุกขึ้นเถิดอย่าคร่ำครวญ น, นักเลยก้อที่เธอลืมเครื่องประดับไว้นั้นเรามิได้ถือเป็นความผิดประการใดเราเองยังลืมได้ทำไมเธอจะลืมบ้างไม่ได้เครื่องประดับนี้มีค่าก็จริงแต่ก็หามีค่าเท่าชีวิตของเธอไม่เครื่องประดับมหาลดาปราศาทตนี้ ถ้าหายหรือเสียไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราก็ทำใหม่ได้แต่ชีวิตของเธอถ้าเสียไปจะทำใหม่ได้ที่ไหนดูก่อนนางผู้ซื่อสัตย์การที่เธอจะยอมถ่ายถอนเครื่องประดับนี้ด้วยชีวิตของเธอนั้นซึ้งใจเรายิ่งนักเธอจงเบาใจเถิดพระธรรมของพระศาสดาได้ชุบย้อมจิตใจของเราให้มองเห็นชีวิตมนุษย์ และแม้สัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงไม่อาจจะนำสิ่งของภายนอกมาเทียบได้อันหนึ่งเธอเป็นที่รักที่ไว้ใจของเราเธอเป็นผู้ทำงานดีซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความจงรักนายของตนไม่เสื่อมคลายและปลวนแปรด้วยเหตุนี้เธอจึงได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเราความดีของเธอนั้นมีอยู่มาก ความพลังเผลอบกพร่องเพียงเท่านี้จะลบล้างความดีของเธอได้ไหนดูก่อนปราดาเมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงหญิงรับใช้ยิ่งคลำครวนหนักขึ้นเธอกอดเท้าทั้งสองของนายและใช้ใบหน้าครอเคลียอยู่ด้วยความรักและกระตันอยู่แล้วเมื่อนางวิสาขาดึงมือนางให้ลุกขึ้นนางก็ยิ้มทั้งน้าตา มองดูนายของตนด้วยแววตาที่เหมือนเปิดดินชักหัวใจให้เห็นได้หมดสิ้นประดุดแววตาแห่งสัตว์เลี้ยงเป็นต้นว่าสุนัขอันแสดงออกอย่าเมื่อได้รับอาหารจากนายของมันดูก่อนมริสัมีอยู่เหมือนกันมิใช่หรือที่มนุษย์เราต้องวระหรือยิ้มทั้งน้าตาทั้งนี้เพราะความเสียใจ และความดีใจประดังกันเข้ามาในระยะกระชันชิดเมื่อความเสียใจยังไม่ทันหายไปความดีใจก็เคลื่อนเข้ามาจนผู้นั้นตั้งตัวไม่ทันภาพที่บุคคลยิ้มทั้งน้ำตานั้นเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่าดูพอใช้อุปมาเหมือนฝนซึ่งโปรยลงมาและยังไม่หายแดดก็แผดจ้าออกมาในขณะนั้นเป็นภาพซึ่งนานๆเราจะเห็นสักครั้งหนึ่ง คืนนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกาต้องใช้ความคิดอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรกับเครื่องประดับมหาลดาปราศาั้นเรื่องนำมาใช้อีกนางไม่สามารถทำได้จะเก็บไว้เฉยเฉยก็ดูจะเสียประโยชน์ไปนางจึงตัดสินใจว่ารุ่งขึ้นจะลองบอกขายถ้าได้ซับมาจำนวนตามราคาอันเหมาะแห่งเครื่องประดับแล้ว ก็จะนำมาทำบุญทำกุศลตามต้องการแต่ปรากฏว่าในเมืองสาวัตถีไม่มีใครสามารถซื้อได้พูดถึงคนมีเงินพอซื้อได้นั้นน่าจะพอมีแต่คงจะไม่มีใครกล้านำเอาเครื่องประดับของนางวิสาขาซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั้งเมืองมาประดับตกแต่งได้ถ้าผู้ใดทำเข้าแทนที่จะได้รับการยกย่องชมเชย จะกลับกลายเป็นผู้ถูกเยอะเย้ยยามยันไปนางวิสาขาจึงตกลงใจซื้อของของตนเองด้วยราคา9โกรหรือ90ล้านบาทแล้วนำเงินจำนวนนั้นทั้งหมดไปสร้างอารามใหม่ชื่อว่าปุปผารามเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครสาวัตถีการสร้างปุบผารามเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด27โกร คือซื้อที่ดินเก้าโกดสร้างกุฏิวิหารเก้าโกดและจ่ายในการฉลองอีกเก้าโกดดูก่อนท่านผู้สแสวงสันติวรบทณนะบุพารามนี้เอง มีเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธจริยาอันประเสรศิฐคือวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่รีกเลเอนในเวลาเย็นแล้วประทับณภายนอกซุ้มประตูครานั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จมาเฝ้าเมื่อพระองค์ประทับณที่สมควรและสนทนากับพระศาสดาเป็นสารานิยอยู่นั่นเองมีนักบวชหลายนิกาย กล่าวคือนิครนเจดคนเอกษาดกเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนและชดินอีเจ็ดคนรวม35คนซึ่งล้วนมีคราวยาวมีขนรักแล้ยาวถือบริขารต่างๆเดินผ่านมาพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเห็นนักบวชเหล่านั้นแล้วคุกพชานุข้างหนึ่ง ลงทําผ้าห่มเฉียงบ่าพลางประกาศพระนามและโครของพระองค์ว่าข้าแต่ท่านนักพรตผูเ้เจริญข้าพเจ้าคือพระเจ้าประเสณทิโกสนดังนี้สามครั้งเป็นการแสดงความคาระวะอย่างสูงนักบวชเหล่านั้นหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินเลยไปพระเจ้าประเสณทิโกสนจึงหันมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระจอมุนีนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นแน่แท้พระสุคตเจ้ามีพระอาการสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นคฤรุหัสยังบริโภคกามบันทมเบียดโอรสและชายาทรงผ้าที่มาจากแคว้นกาสี ทัดทรงของหอมรูปไหล่ด้วยจุนจันจึงเป็นการยากที่จะรู้ได้ว่านักบวชเหล่านั้นเป็นอรหันต์หรือไม่มหาบพพิตรปกติของคนเป็นอย่างไรอาจรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องใส่ใจและมีปัญญาสอดส่องกำกับไปด้วยปัญญาของคนพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาความสะอาดของคน พึงรู้ได้ด้วยการงานความกล้าหาญและเรี่ยวแรงรู้ได้ในเวลามีอันตรายทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุสามอย่างประกอบคือการเวลาปัญญาและมนสิการ ดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะพระผู้มีพระภาคทรงตอบอย่างบัวมิให้ช้ำน้ำมิให้ขุนถ้าพระองค์จะตรัสตรงๆว่านักบวชเหล่านั้นไม่ได้เป็นอรหันต์ดอกที่แท้ยังเป็นผู้ชุ่มไปด้วยกิเลสก็จะเป็นการยกตนข่มผู้อื่นถ้าพระองค์จะทรงรับรองว่านักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์พระเจ้าประเสริที่โกศล ก็จะพึงดูแคลนพระสัพพัญยุติยานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พระเจ้าเสรตทีโกศลจึงกราบทูลว่าอัศจรสั์จริงพระเจ้าข้าอัาสั์จริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัพพัญญูโดยแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐความจริงนักบวชเหล่านั้นคือจารบุรุษ ซึ่งข้าพระองค์ทรงไปสอดแนมเหตุการณ์บ้านเมืองนแคว้นต่างๆเมื่อถึงบ้านแล้วบุรุษเหล่านั้นย่อมรูปไหลด้วยของหอมนอนเบียดบุตรและพันยาพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าพระสุคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าบุคคลไม่ควรพยายามเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ และไม่พึงมีแผลประพฤติ ธ, ธรรมบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีด้วยเหตุเพียงรูปร่างผิวพรรณก็หาไม่ได้ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียวคนชั่วเป็นอันมากเที่ยวไปโดยรูปลักษณะแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและหม้อโลหะซึ่งฉาบไว้ด้วยสุวรรณมองแวววาวแต่เพียงภายนอกแต่ภายในไม่สะอาด คนชั่วในโลกนี้เมื่อบริวานแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปได้ย่างคนดีเขางามแต่ภายนอกแต่ภายในไม่บริสุทธิ์ ดูก่อนท่านผู้ไม่หลงไหลในบวงมานพระ อ, อ น, นุ์กาวท่านจะเห็นว่าพระพุทธภาสิท์เหล่านี้คมคายเพียงไรเป็นพระดํารัดที่ถ้าจะมองว่าลึกซึ้งก็ลึกซึง้งถ้าจะมองว่าสามัญชนทั่วไปพอจะเข้าใจและปฏิบัติตามได้ก็ได้เช่นกันตอนแรกพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง นั้นหมายความว่าก่อนจะใช้ความพยายามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะสำรวจเสียให้ดีก่อนว่าความพยายามที่ทำไปนั้นจะได้ผลคุ้มเหนื่อยหรือไม่อุปมาเหมือนนักสำรวจทองก่อนที่จะลงมือขุดก็ควรจะใช้เครื่องมือสำรวจเสียก่อนว่าที่ที่ตนจะขุดนั้นมีทองอยู่หรือไม่ไม่ใช่ว่า จะขุดทองก็เริ่มขุดไปแต่บันไดบ้านทีเดียวถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นการเสียแรงเปล่าได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยส่วนเรื่องเป็นตัวของตัวเองก็มีความสำคัญมากมนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองคนไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ ส่วนข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เป็นคนเลี้ยงตัวได้ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นมีความหมายว่าบุคคลเมื่อมีอายุพอสมควรจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็ควรประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงตนไม่ใช่คอยแต่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างเดียวเพราะการอาศัยผู้อื่นในวัยที่ไม่ควรอาศัย เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไร้ความสามารถส่วนสมณะผู้อาศัยอาหารจากเรือนของผู้อื่นแล้วยังชีพให้เป็นไปนั้นก็เป็นเพราะสมณะเหล่านั้นอาศายัยศีลของตนถ้าประชาชนรู้ว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมเขาย่อมไม่เลี้ยงไม่ถวายอาหารเพราะฉะนั้นสมณะก็ชื่อว่าเป็นผู้พึ่งตนเอง กล่าวคืออาศัยศีลและสัมมาจารของตนเป็นอยู่ข้อต่อมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรมีแผลประพฤติ ธ, ธรรมนั้นหมายความว่าให้ประพฤติ ธ, ธรรมด้วยความสุจริตใจมิใช่ประพฤติ ธ, ธรรมด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงให้คนมานับถือดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธบิดาณกรุงกบิลพั์ว่า ควรประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านอกจากนี้พระพุทธองค์เคยตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอในเรื่องนี้และส่งแนะให้ถือพระองค์เป็นเนติดังพระพุทธภาษิตต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายพรมจันทร์นี้เราประพฤติ มิใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือมิใช่เพื่ออนิสงลาบสการะและความสรรเสริญมิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์ น, นี้เราประพฤติเพื่อสังวระคือความสำรวม เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะคือความคลายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะคือความดับทุกข์ ในตอนท้ายพระพุทธองค์ส่งย้ำว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติหรือผิวพัรร์ก็หาไม่ได้แต่จะเป็นคนดีก็เพราะความประพฤติดีคนชั่วเป็นอันมากปกปิดความชั่วของตัวไว้เหมือนหม้อดินที่ชาบทาด้วยทองแวววาวแต่เพียงภายนอกเท่านั้นสรุปว่าส่งย้ำให้คนทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นให้หลงเข้าใจผิดหรือหลงเคารพนับถือทั้งทั้งที่ตนเองเป็นคนเลวดูกรพระดาข้าพเจ้าขอวกมากล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขาต่อไป วันหนึ่งนางวิสาขามีผ้าเปียกมีผมเปียกเดินร้องไห้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระตถาคตตรัถามก็ได้ความว่านางวิสาขาเสียใจเพราะหลานสาวอันเป็นเที่รักคนหนึ่งตายลงนางรักเธอมากเพราะเธอเป็นคนดีช่วยงานทุกอย่างรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลด้วยข้าแต่พระ ผู้เป็นดวงตาของโลกนางวิสาขาทูลข้าพระพุทธเจ้าเสียใจในมรณกรรมของหลานสาวคนนี้เหลือเกินเธอเป็นคนดีอย่างจะหาใครเสมอเหมือนได้ยากพระตถาคตเจ้าทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอื้อนพระโอษฐว่าดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาววัตถีนี้มีประมาณเท่าใด มีหลายสิบล้านพระพุทธเจ้าข่านางตอบถ้าคนเหล่านั้นดีเช่นสุทตัตตีหล้านของเธอเธอจะรักเขาเหล่านั้นหรือไม่รักพระเจ้าข่าแล้วคนในเมืองสาวัตถีนี้ตายวันละเท่าไรวันหนึ่งหละคนพระเจ้าข่าดูก่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกอยู่อย่างนี้ทุกวันละสี เธอต้องร้องไห้ค่ำครวญมีใบหน้าอาบด้วยน้ำตาอยู่เสมอเพราะมีคนตายกันอยู่ทุกวันวิสาขาเอยตถาคตกล่าวว่าความรักความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าใดย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นรักหนึ่งมีทุกหนึ่งมีรักสิบมีทุกสิบมีรักร้อยมีทุกร้อย ความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรักหรือสิ่งอันเป็นที่รักเหมือนความร้อนที่เกิดแต่ไฟย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นดูก่อนผู้บำเพ็ญตะบะนางวิสาขาได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้วสางความโศกลงไปได้บ้างนางเป็นโสดาบันก็จริงอยู่แต่พระโสดาบันนั้น เพียงทำให้สมบูรณ์ในศีลเท่านั้นหามีสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ไม่จึงมีบางครั้งที่เผลอสติไปแสดงอาการเยี่ยงชนทั้งหลายพระอระหันต์เท่านั้นที่มีสติสมบูรณ์ดูก่อนท่านพระดา สิ่งอันเป็นที่รักย่อมทําให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบของดวงใจย่อมป ร, รารสนาการไปยิ่งความรักอันเจือด้วยนันทิลาคะด้วยแล้วยิ่งทําให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปียบด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ําก็หมดไป เหลือไว้แต่รอยกระแทกกระทันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบประนีตถ้าเราสามารถทำใจให้ยินดีต้อนรับความขมขื่นและไม่เพลิดเพลินในความชื่นสุขให้มากนักอย่างน้อยก็ทำใจมิให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว นางวิสาขามีสหายที่รักมากอยู่สองคนคือนางสุ ป, ปิยาและนางสุปวาสาเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วเธอทั้งสามมักจะเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุทั้งหลายถามถึงสิ่งที่ต้องการและยังขาดเมื่อภิกษุรูปใดบอกว่าต้องการอะไรนางจะจัดถวายเสมอนอกจากนี้ยังได้ถวายอาหารสําหรับภิกษุป่วย และพูดเตรียมจะเดินทางเป็นประจำอีกด้วยวันหนึ่งนางสุ ป, ปียาเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุอย่างเคยไปถึงกุฏิภิกษุรูปหนึ่งซึ่งป่วยอยู่เมื่อนางถ า, ถามถึงความต้องการว่าท่านปรารถนาสิ่งใดบ้างภิกษุรูปนั้นบอกว่าอยากได้น้ำเนื้อต้มดูก่อนมาริษะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้าข้าวและน้าเนื้อต้ม ซึ่งกรองดีแล้วไม่มีเมล็ดข้าวหรือกากเนื้อติดอยู่เพื่อภิกษุอาพาธเธอสามารถฉันได้แม้ในเวลาวิการคือหลังเที่ยงวันนางสุ ป, ปิยาดีใจเหลือเกินที่จะได้ถวายอาหารแก่ภิกษุอาพาธพระพุทธภาสิตก้องอยู่ในโสตของนางนานมาแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดปรารถนาจะบำรุงตถาคต ขอให้ผู้นั้นบำรุงภิกษุไข้เถิดแต่บังเอิญวันนั้นเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำนางหาเนื้อไม่ได้เลยจึงเข้าห้องตัดสินใจตัดเนื้อขาของตนด้วยมีดอันคมกริบสั่งให้คนใช้จัดการต้มแล้วขอให้น ำ, น, ำน้ำเนื้อต้มนั้นไปถวายภิกษุชื่อโน้นซึ่งอาพาธอยู่แล้วใช้ผ้าผันแผลที่ขาของตนนอนโซมเป็นไข้ เพราะพิดบาดแผ่นั้นสามีของนางสุ ป, ปิยากลับมาไม่เห็นพัญญาอย่างเคยจึงถามคนใช้ทราบว่านางป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมในห้องนอน ผูทราบเรื่องโดยตลอดแล้วแทนที่จะโกรธพระและพัญญากลับแสดงความชื่นชมโสมนัสที่พัญญาของตนมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาถึงกับยอมสละเนื้อขาเพื่อต้มเอาน้ำถวายภิกษุอาพาธจึงรีบไปสู่วัดเชตวันทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อรับพัฒตาหารที่บ้านตนในวันรุ่งขึ้น พระศาสดาส่งรับด้วยอาการดุษเนีวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์มีพระสงฆ์เป็นบริวารจำนวนมากเสด็จสู่บ้านของนางสุปิยาเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นนางสุปิยาจึงถามสุปิยาอุบาสกผู้สามีทรงทราบแล้วจึงรับสั่งให้คนช่วยกันพยุงคลอเคลียนางสุปิยามาเฝ้าเมื่อนางถวายบังคมพระตถาคต เจ้าตรัสว่าจงมีความสุขเถิดอุบาสิกาเท่านั้นแผลใหญ่ที่ขาของนางก็หายสนิทและมีผิวผ่องยิ่งกว่าเดิมเสียอีก ก่อนราดาเรื่องนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้พุทธานุภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นได้จริงพระจอมุนีสาสาดาแห่งพวกเรานั้นเป็นผู้มีบารมีอันทรงกระทา ม, มาแล้วอย่างมากหลน้นเคยตัดศรีรษะอันประดับแล้วด้วยมงกุฎที่เพลิดเพลินเคยควักในตาซึ่งดำเหมือนตาเนื้อสาย เคยสละเลือดเนื้อและอวัยวะมากหลายตลอดถึงบุตรพัญญาเพื่อเป็นทานแก่ผู้ต้องการจะกล่าวใหญ่ถึงการสละทรัพย์สมบัติภายนอกมหาบริจาคทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทา ม, มาทั้งหมดนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกล่าวคือความรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสโดยชอบอันยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียมถึงเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเวไนย น, นิกอรทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจดูก่อนมาริสะก็ความรู้ใดเล่าในโลกนี้จะประเสริญยิ่งไปกว่าความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสสิ้นไปเพราะเป็นการดับความกระวนกระวายทั้งมวลเหมือนคนหายโรคไม่ต้องกินยา ผู้เปี่ยมล้นด้วยบา ร, รมีนั้นย่อมเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระาศาสดาเป็นผู้มีพระบา ร, รมีธรรมที่ได้สั่งสมมานานตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเมื่อพระองค์จะทรงอยู่ในชาตินี้เป็นปัจฉิมชาติและปัจฉิมพบแล้วบา ร, รมีธรรมทั้งมวลหลังไหลมาให้ผลในชาติเดียวท่านลองคิดดูเถิดจะคันานาได้อย่างไร อุปมาเหมือนน้ำซึ่งลังจากยอดเขาและถูกกักไว้ด้วยทำนบอันหนาแน่นจนเต็มเปี่ยมแล้วและบังเอิญทำนบนั้นพังลงน้ำนั้นจะไหลหลากท่วมท้นเพียงใดดูก่อนผู้เชื้ออารยันบารมีธรรมเป็นสิ่งน่าสังสมโดยแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยพระกิยาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทรงอนุโมทนาให้นางสุปิยาและอุบาสกสุปิยะสมาทานอาหารร่าเริงในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะแล้วก็เสด็จกลับสู่วัดเชตวันทรงให้ประชุมสงฆ์และแตรัสถามภิกษุอาภาษณ์รูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุเธอขอน้ำเนื้อต้มจากอุบาสิกาสุปิยาหรือ อย่างนั้นพระเจ้าข้าพระรูปนั้นตอบเมื่อเธอจะฉันเธอพิจารณาหรือเปล่าไม่ได้พิจารณาเลยพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุเธอได้ฉันเนื้อมนุษย์แล้วเธอทำสิ่งที่น่าติเตียนตรัส ด, ดังนี้แล้วทรงตาหนิภิกษุนั้นอีกเป็นอนเนกปริยายแล้วทรงบัญญัติศิกขาบทว่าภิกษุใดฉันเนื้อโดยไม่ได้พิจารณา ภิกษุนั้นเป็นอาบัตทุกกฎถ้าเนื้อนั้นเป็นเนื้อมนุษย์เธอต้องอาบัตทุลใจดังนี้